ร่างกายเจ็บป่วยแต่จิตใจเราอย่าป่วยด้วยวงเล็บเปิด8มีนาคม2551ในวงเล็บสองจุดจุดนาที56วงเล็บปิดปวดเท้านะเราก็รู้ไปเท้ามันปวดเราอย่าไปปวดกับมันเราปฏิบัติเนี่ยนะร่างกายมันเจ็บป่วยเป็นเรื่องธรรมดานะร่างกายเจ็บป่วยนี่แก้ไม่ได้มันเป็นเรื่องทางร่างกายแต่จิตใจเราอย่าป่วย ด, ด้วยพระพุทธเจ้าท่านเทียบให้ฟัง บอกว่าการเจ็บป่วยทางร่างกายเหมือนถูกลูกธนูดอกที่1แล้วใจเรายังกลุ่มใจไปด้วยเหมือนโดนธนูลูกที่สองเราสามารถโดนธนูลูกเดียวได้โดยไม่โดนลูกที่สองหมายถึงว่าร่างกายเราเจ็บป่วยนะใจของเราสบายอยู่ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่โยมปวดขานะโยมดูลงไปเลยขามันปวดนะไม่ใช่เราปวดช่วยมันคิดนิดนึงท่องไว้เลยนะขามันปวดไม่ใช่เราปวดท่องเอาไว้อย่างนี้นะดูใจของเราไปเรื่อย ร่างกายปว่วยอย่าให้ใจกลุ่มถึงใจกลุ่มร่างกายก็ไม่หายเจ็บหรอกกลายเป็นเราต้องเจ็บที่ใจไปอีกที่แค่เห็นไปร่างกายมันปวดเราไม่ได้ปวดด้วยดูอย่างนี้